ล้วก็เดี๋ยวศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าอีกสักเล็กน้อยนะเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะเพิ่มความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตรงนี้ก็คือเกี่ยวในเรื่องของบอกว่า ได้พูดถึงในคำสอนของพระบรมศาสดาที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษาก็คือว่าประการที่สาคัญที่สุดก็คือการเจริญพุทธานุสติคือการเจริญระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าการเดินหรือการระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดานั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นใช่ไ้ ทนการที่เราท่านทั้งหลายจะระลึกถึงคนของพระพุทธเจ้านั้นน่ยก็จะต้องมีความเข้าใจดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเช่นว่าจะต้องเข้าใจว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดขึ้นในการระลึกถึงคุณของพุทธเจ้านั้นเน่ยนะศรัท ธ, ธานั้นก็กําจัดอกุศลธรรมคืออาสติยะคําว่าศรัท ธ, ธานี่คือกลุ่มกุศลธรรมใช่ไหมคือกลุ่มกุศลธรรมก็คือกุศลจิโรบา ท, ที่มีศรัท ธ, ธาเป็นประธาน ฉะนั้นในขณะที่ศรัทธาเกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือเขาก็กําจัดอสัตยย่าคือความไม่มีศรัทธานั้นให้หมดไปจากจิตใจในขณะเดียวกันก็คือว่าเมื่อกลุ่มของความไม่มีศรัทธานั้นน่ยถูกขจัดไปแล้วเนี่ยวิรยิยะวิริยะก็เกิดขึ้นเพราะศรัทธาเกิดขึ้นวิริยะเกิดขึ้นเข้าถึงความแก่กล้าแล้วก็กําจัดโกศชะคือความเกียดค้าน เมื่อสตินั้นนะ่ะได้ถูกการพัฒนาตัวขึ้นแล้วเนี่ยก็กําจัดมุทธธัสสติคือความประมาทเมื่อสมาธิกล่าวคือความตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะกําจัดอุทธจารคือความฟุ้งซ่านและปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถกําจัดอวิชชาคือความไม่รู้อันเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นและในขณะเดียวกันนะเมื่อ เมื่อศรัทธาวิริยะสติสมาธิเกิดขึ้นในกุศลจิตวิบาทที่เป็นไปกับการระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมหรือพระรยสง่งในขณะนั้นน่ะก็สามารถกำจัดวิป ร, ราชธรรมกาวคือความสำคัญว่างงามในสิ่งที่ไม่งามความสำคัญว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงความสำคัญว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ความสาคัญว่าเป็นอัตตาใช่ถูกทาลายไป ในสิ่งที่เป็นอนัตตาฉะนั้นบรรดาวิปป ร, ราชสธรรมทั้งหลายจะถูกลาถูกคลายถ่ายถอนไปเมื่อสัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญานั้นเน่ยเข้าถึงความบริบูรณ์ได้เนี่ยในข้อความตรงนี้พระบรมศาสดาตรัสแก่ภาษาารีบุตรเทละที่ตัดบอกดูก่อนสาริบุตรอริยาสาวกผู้ใดผู้มีศรัทธาตั้งมั่นเลื่อมใสในพระตถาคต อริยะสาวกนั้นจักไม่เครือบแคลงสงสัยในพระตถาคตหรือในศาสนาของตถาคตจักถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างแน่นอนก็หมายความบอกว่าเมื่อเราไม่เครือบแคลงไม่สงสัยในคุณของพระรัตนตรัยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราสาธยายคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยบอกว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสใช่ไหม ในกรณีแห่งการไกลจากกิเลสนั้นพระพุทธเจ้านั้นสะไกลจากราคาโทสะโมาหะพร้อมทั้งวาสนาได้โดยสิ้นเชิงแล้วใช่ไหมซึ่งต่างจากเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีราคาโทสะโมาหะพระบรมศาสดาเป็นพระอรหันต์พ่อทําลายข่าศึกคือกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งความประพฤติความชั่วช้าทั้งหลายต่างๆจากกมลลูลลาสดานของพระองค์นั้นหมดสิ้นแล้วแต่เราทั้งหลายยังเป็นผู้ใกล้ต่ อ, อ ก, กิเลสใช่ไหมยังไม่สัมมาสามารถทําลายข่าศึก เราท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่สามารถทําลายราคะาโทสะโมหาได้เลยแต่พระบรมศาสดานั้นน่ะพระองค์นั้นทําลายข้าสึกคือกิเลสได้แล้วประการต่อมาพระองค์ก็ทําลายซี่กรรมแห่งสังสา ร, รจักรก็หมายความว่าเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปหรือเจตนาที่เป็นไปในอนเนจรชา้านั้นพระองค์ก็หักกรรมแห่งสังสารวัชกได้จนหมดสิ้นแล้วแปลว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องไปรับวีบากในการที่ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดามารพรมอีกแล้ว พระองค์นั้นทําวัตตะให้ขาดสิ้นจากกระแสขันของท่านและประการต่อมาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ควรต่อการต่อเครื่องบูชาทั้งหลายคือปัจจัยต่างๆนะไหมที่เราเป็นน้อมบูชากันเนี่ยที่เราถวายส ก, การ์าเครื่องบูชาทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นเหล่านั้นนั่นคือลักษณะเหตงการณ์ที่เราท่านทั้งหลายเห็นคุณของพระพุทธเจ้าไม่เครือข่ายงสงสยัยสารีบุตรพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อศรัทธาของพระอริยสาวกนั้นเป็นสัตทินี อริยาสาวกนั้นพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละกุศลธรรมจากยังกุศลธรรมมันให้ถึงพร้อมมีความบากบัน่นมีความมั่นคงไม่ทอดทุราในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อความเพียรของอริยาสาวกนั้นเป็นวิริยินรีอริยาสาวกนั้นก็พึงหวังได้ว่าจากเป็นผู้ประกอบด้วยสติคือระลึกในกิจที่ทำคำที่พูดไม่นานได้ เมื่อสติของอริยสาวกนั้นเป็น maths, สตินรีย์เข้าถึงความเป็นใหญ่มีกําลังอริยส weight, าวกก็พึงหวังได้ว่าจะได้ความสงบแห่งจิตคือจักยังสมาธินทรียกล่าวคือเอกขัตาจิตให้ตั้งมั่นเป็นต้นได้เมื่อสมาธิของอริยสาวกเป็นสมาธินรียอริยสาวกนั้นพึงหวังได้ว่าจักรู้ชัดเบื้องต้นและที่สุดของสังสารวัฏเราท่านทั้งหลายรู้ชัดเบื้องต้นและที่สุดของสังสารวัฏหรือยังใช่ไหม อย่างเราท่านทั้งหลายยังไม่รู้ชัดเบื้องต้นและที่สุดของสังสารวัฏเพราะว่าเรายังมีอวิชชายังมีตัณหาที่เป็นตัวฝังแน่นในความคิดอยู่อวิชชาเนี่ยก็เป็นตัวทําให้จิตของเราท่านทั้งหลายนั้นมืดบอดความมืดบอดที่มันก้มรวมอยู่ในจิตใจเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้ในทุกไม่รู้ในเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ ไม่รู้ขันอายตนาท่าที่เป็นอดีตใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ขันอายตนาท่าที่เป็นอนาคตไม่รู้ทั้งขันอายตนาท่าทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอาวิชชาเนี่ยมันไม่รู้ที่สุดแห่งทุกข์เพราะเรายังไม่สามารถละอวิชชาได้อวิชชาเกิอบอกว่าถ้าหากว่ามีปัญญาใช่ไหมอริยสาวกนั้นมีปัญญาก็าจักรู้ชัด ถึงเบื้องต้นและที่สุดแห่งสังสารวัตให้สังเกตดูตอนที่พระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าท่านได้ปุเพนิวาสานุสติญาณใช่ไหมปุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยอุปสรรคเยอะอย่างลมมันตีไหมปุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยนะคือญาณที่เป็นไปกับสติที่ตามระลึกชาติทุนหลังตนเองได้ใช่ไหม นันญาณที่เป็นไปกับสติที่ตามเลิกชาติทุนหลังของตนเองได้นี่แหละญาณนั้นแหล ะ, นนหละวิปัสสนาญาณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่บอกว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาคําว่ากําจัดอภิชาในที่นั้นหมายความว่ากําจัดอวิชาในอดีตคือความไม่รู้ในกระแสของขันธาตุอายตนะที่เป็นไปในอดีตพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าหากเราไปดูใน เสกขปติปทาสูตรเป็นต้นในมันชฌิมนิการเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะพูดถึงการเจาะการทะลุทะลวงกระแสขันธายาตนาในอดีตก็คือบอกว่าเมื่อปเุเพนิวาสานุสติยานตัวปเุเพนิวาสานุสติยานี่เป็นอภิญญาเมื่ออภิญญาเกิดขึ้นมาหนึ่งขณะอภิญญานั้นก็กําหนดขอบเขตแห่งการระลึกชาติในหุนหลังทีนี้ต่อมาเนี่ยกระแสของนามธรรมของพระโพธิสัตว์ที่มีศรัทธามี ปริยาสติสมาธิปัญญาหรือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวยมาสัมมาสติเป็นต้นในการที่จะตามะลืกถึงกระแสขันของตนเองที่เป็นไปในอดีตใช่แล้วก็สามารถกำจัดความมืดมนอนทการที่เป็นไปในสังสารวัฏได้สามารถจะไม่ล่มหลงในปรมัตและมัญญาที่เป็นไปในอดีตได้คือสามารถรู้จักว่าตนเองนั้นมีวันะอย่างไรมีชื่ออย่างไรมีอาหารอย่างไรมีตระกูลอย่างไร กระแสขันธาตุอริยตนะที่เกิดในชาติที่1ชาติที่2ชาติที่3มชาติที่4ี่เป็นต้นเป็นไปตามลําดับเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าปุปเพนิวาสานุสติญาได้เกิดขึ้นในกระแสขันของพุทธเจ้าแล้วนั่นก็เรียกว่ากําจัดความมืดมนอนตการในกระแสขันในด่ดีตเป็นต้นได้ต่อมาในปัทถุติมายามกยามที่3ามมชุมมยามเนี่ยพระองค์ก็รู้จุดติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไปในส่วนของอนาคตเป็นต้นคือญาณที่เป็นไปในอนาคตเนี่ย ที่จะรู้ว่ากรรมที่ทําไว้จะทําให้ไปเกิดเป็นเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานสัตวน ร, รกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมเนี่ยที่ได้ทําไว้กรรมอย่างยาวนานที่ทําไว้และวิบากที่จะต้องเกิดในอนาคตเป็นไปอย่างไรเบ็ดเซเนี่ยก็เป็นไปในส่วนของอนาคตก็สามารถรู้ที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายและในที่สุดจริงๆก็คือว่ายานปัญญาที่ไปรู้กระแสของขันธ์ธาตุดายานนาที่เป็นไปในส่วนของปัจจุบันเป็นต้นอันนั้นให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจนี่ในในมิติตรงนี้